จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันจันทร์ที่18มิถุนายนพุทธศักราช5 5 5เป็นวันพระเป็นวันธรรมสวรนาเป็นวันฝังธรรม เป็นวันที่สาธุชนพุทธบริษัทได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาบำเพ็ญความภาคเพียนเพื่อเป็นการพัฒนาชีวิตจิตใจให้เจริญก้าวหน้าให้มีความสุขมากขึ้นไปให้มีความทุกข์น้อยลงไปด้วยความภาคเพียน สี่ประการด้วยกันคือ 1. เพียรทำความดีเพียรทำบุญที่ยังไม่ได้ทำให้เกิดขึ้น 2. เพียรรักษาความดีรักษาบุญที่ได้ทำไว้แล้วให้คงอยู่ต่อไป 3. เพียรละความไม่ดีละบา ที่ยังมีอยู่ในตนและสเพียรป้องกันไม่ให้บาปหรือความไม่ดีที่ได้ละแล้วหวนกลับคืนมาอีกนี่คือความเพียรที่เรียกว่าเป็นสัมมาวยาโมความเพียรชอบหรือที่เรียกว่าวิริยะบารมีผู้ใดสามารถเจริญ สัมมาวายาโมหรือวิริยาบารมีได้สักวันหนึ่งก็จะได้สัมผัสกับมรรคผลนิพพานอย่างแน่นอนเพราะผู้ที่ได้สัมผัสมรรคผลนิพพานมาแล้วล้วนได้เจริญสัมมาวายาโมได้เจริญวิริยาบารมีมาอย่างโชคโชน แล้วด้วยการทุกท่านอย่างที่พระเจ้าทรงตรัสไว้ว่าหลุดพ้นได้ด้วยความเพียรการหลุดพน้นนี้ถ้าไม่มีความเพียรไม่มีความขยันมีแต่ความปรารถนาแต่งอมืองอเท้าไม่ปฏิบัติก็จะไม่มีวันที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายไปได้ไม่มีวันที่จะสำเร็จ บรรลุถึงมรรคผลนิพพานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายได้บรรลุกันได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเป็นหญิงหรือเป็นชายเป็นนักบวชหรือเป็นคาววาเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นเด็กแต่ขึ้นอยู่กับสัมมาวายามนี้ดังนั้นพวกเราในวันนี้ได้ตัดสินใจ ถูกแล้วมาวัดเพราะการมาวัดนี้ก็จะได้มาเจริญสัมมาวายโมในระดับต่างๆกันเช่นสำหรับท่านที่ยังไม่เคยมาทำบุญวันไหนวันพระวันนี้ได้มาอย่างนี้ก็เรียกว่าได้สร้างความดีสร้างบุญที่ยังไม่เกิดขึ้นให้เกิดขึ้นแล้วส่วนท่านที่เคย มาแล้วก็มาต่อไปอย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอนยกเว้นมีภารกิจสำคัญจำเป็นหรือมีเหตุสุดวิสัยที่มาไม่ได้ค่อยไม่มาอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการรักษาความดีที่มีอยู่ให้คงไว้ส่วนท่านที่เคยมาวัด แล้วมาถือศีลห้าตอนนี้มาเพิ่มเป็นศีลแปอย่างนี้ก็เรียกว่าทําความดีให้มีเพิ่มมากขึ้นไปทําความดีที่ยังไม่มีให้เกิดขึ้นมาส่วนท่านที่รักษาศีลแปได้แล้วก็รักษาศีลแปต่อไปอาจจะพัมเพิ่มขึ้นคือปกติรักษาศีลแปเพียงวันพระเพียงวันเดียว ขั้นต่อไปก็จะรักษาศีลแปดในวันโกนและวันหลังวันพระเพิ่มเป็นอาทิตย์ละสามวันสําหรับท่านที่รักษาได้อาทิตย์ละสามวันแล้วก็เพิ่มเป็นเจ็ดวันไปเลยนี่คือการพัฒนาต้องเดินกันไปเป็นขั้นๆก็เ ร, เราไม่สามารถที่จะ ท, ทําทีเดียว เต็มขั้นเต็มร้อยได้เราก็ทำจากเลขกปหาน้อยทำขั้นที่หนึ่งแล้วก็ก้าไปขึ้นขั้นที่สองขั้นที่สามเคยใส่บาตรเฉพาะวันพระต่อไปก็ใส่บาตรสามวันวันก่อนวันพระและวันพระและวันแลหลังวันพระแล้วเมื่อทำได้ก็ทำเพิ่มขึ้นไปใส่เป็นเจวัน สมมติว่าอยากจะใส่บาตรเจ็ดวันแต่ไม่มีพระมาที่บ้านผ่านมาที่บ้านหรือไม่สะดวกที่จะใส่ก็เอาปัจจัยหรือเอาเงินที่จะซื้อของใส่บาตรนี้ใส่กระปุกไว้แล้วพอมีโอกาสมาวัดก็นำเอาปัจจัยที่ใส่ในกระปุกนี้มาถวายวัดไปอย่างนี้ก็เท่ากับได้ทำบุญทุกวัน ได้ใส่บาตรทุกวันก็ถ้าเราทำอย่างนี้แล้วใจของเราก็จะได้มีความเจริญมีความสูงขึ้นเพราะจะมีความเมตตากรุณาเพิ่มมากขึ้นมีความตนีมีความหวงน้อยลงไปมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงไปเวลาที่จะต้องจาก ทรัพ ส, สมบัติข้าวของเงินทองไปก็จะจับไปได้อย่างไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนไม่เสียดายพรได้ฝึกการให้มาอย่างต่อเนื่องรู้ว่าสักวันหนึ่งในภายภาคหน้าก็ต้องจับทรัพสมบัติข้าของเงินทองต่างๆทั้ ง, ง, งหลายไปหมดถ้าห่วอยู่เวลาต้องพัดภาคจาก สมทรัพสมบัติของที่รักก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจแต่ถ้าเคยให้อยู่เรื่อยๆแล้วเวลาพลดภาคจากกันก็จะคิดว่าเป็นการทําบุญให้ทานไปยกให้คนอื่นไปเราไปตัวเปล่าๆก็ เ, เวลาเรามาเราก็มาตัวเปล่าๆจะมาหวงกับสมบัติเข้าของเงินทองให้เกิดความทุกข์ ขึ้นมาทาไมทาไมไม่อยู่อย่างมีความสุขและจะไปอย่างมีความสุขวิธีที่จะอยู่อย่างมีความสุขและจะไปอย่างมีความสุขก็คือต้องไม่หวงในสมบัติข้าวของเงินทองต่างๆต้องรู้ว่ามันเป็นสมบัติชั่วคราวไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงเลีเอาไว้เพื่อมาทำประโยชน์ให้แก่ ชีวิตจิตใจและร่างกายของเราร่างกายก็คือเราต้องการปัจจัยสี่เช่นที่อยู่อาศัยยารักษาโรคอาหารเครื่องนุ่งหัถ้าเรามีทรัพย์เราก็จะได้มีปัจจัยสี่ครบริบูอย่าไปห่วงแล้วอยู่แบบคนตนนีอยู่แบบ นำบาปยากเย็นพราะเสียดายทรัพย์ไม่อยากจะใช้เงินทองตัวเงินทองจะหมดก็ได้อยู่แบบอัตคัดขัดสนทั้งๆ ท, ที่มีเงินทองเหลือใช้เหลือกินแต่ไม่กล้าใช้อย่างนี้ก็ไม่ไม่ฉลาดต้องคิดว่าเงินทองนี้มีไว้เพื่อรับใช้เราสองส่วน รับใช้เรื่องร่างกายแล้วก็รับใช้เรื่องจิตใจเรื่องร่างกายก็คือให้มีปัจจัยสี่พร้อมบริบูรณ์แต่ไม่ต้องมากจนเกินไปไม่ต้องแพงจนเกินไปขอให้พอประมาณพออยู่ได้ปลอดภัยทำประโยชน์ตามที่ที่ตามหน้าที่ของเขาได้ เช่นบ้านก็มีไว้หลบแดดหลบฝนหลบภัยต่างๆเสื้อผ้าก็มีไว้สวมใส่ปกปิดอวัยวะป้องกันอากาศหนาวเย็นป้องกันมแมลงสัตว์กัดต่อยต่างๆเพื่อไม่ให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยอาหารก็รับประทานเพื่อให้ร่างกายอยู่ได้ยารักษาโรค ก็มีไว้รักษาเวลาที่เกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นของแพงๆเสมอไปเพราะว่าของแพงๆก็บางทีก็ก็สามารถไม่ก็เหมือนกับของถูกคือรักษาโรคให้หายได้เหมือนกันเช่นไปรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐบาล ก็ไม่เสียเงินมากไปรักษาโรงพยาบาลเอกชนก็เสียเงินมากแต่ก็รักษาให้หายได้เหมือนกันหรือถ้าจะตายก็ตายได้เหมือนกันไปรักษาที่โรงพยาบาลรัฐบาลก็ตายได้ไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนก็ตายได้ไไดเมื่อถึงข่าวไม่ว่าจะรักษาที่ไหนก็ตายได้เหมือนกัน จึงอย่าไปหลงกับการที่จะต้องทุ่มเททรัพย์สมบัติมากจนเกินไปเพื่อหาปัจจัยสี่ที่วิเศษที่รู้ที่ที่ปราณีตมาดูแลรักษาร่างกายเพราะว่ายัางไงยังไงในที่สุดร่างกายก็ต้องแก่เจ็บตายไปไม่ว่าจะเป็นมาหาเศรษฐีหรือเป็นขอทานข้ามถนน ขอให้เรารู้จักใช้เงินทองที่เราหามาได้ด้วยความยากลาบากนี้ตามเหตุตามผลและตามฐานะของเราถ้าเรามีมากจริงๆมีร่นเหลืออยากจะไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนก็ทำได้หรือเราจะรักษา30สบบาทแล้วเอาค่ารักษาที่จะต้องเสียให้กับโรงพยาบาลเอกชน เอามาทําบุญเอามาซืา้อยามาให้คนที่เขาไม่มีเงนินที่จะซื้อยารักษาเขาอย่างนี้เราก็จะได้ดูแลจิตใจของเราและก็การดูแลใจของเรานี้สาคัญกว่าการดูแลร่างกายของเราเพราะร่างกายของเรานี้มีขีดจากัดคือ ไม่ว่าเราจะทุ่มเทเงินทองให้มากน้อยเปล่าไรอย่างมากจะได้จากร่างกายนี้ก็คือให้ร่างกายนี้อยู่ไปอย่างไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเท่านั้นเองจะทุ่มเทเงินทองเป็นล้านหรือทุ่มเทเงินทองเป็นหบอ่์มันก็ได้ผลเท่ากันคือร่างกายก็อยู่ได้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอย่างนั้นแทนที่เราจะต้องเสียเงินมาก ในการดูแลรักษาร่างกายเราก็เสียเท่าที่เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายจะดีกว่าเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องเสียเวลากับการไปหาเงินหาทองมาดูแลรักษาร่างกายที่ยังไงก็ต้องแก่เจ็บตายไปใไนที่สุดแล้วเราจะได้มีทรัพย์เหลือมาดูแลรักษาใจ ที่ไม่มีวันตายที่กำลังรอการดูแลรักษาจากเราส่วนใหญ่เราจะดูแลร่างกายมากกว่าดูแลจิตใจ ท, ทั้งที่จิตใจนี้มีความสำคัญมากกว่าร่างกายหลายร้อยเท่าด้วยกันเพราะว่าร่างกายนี้มีอายุเพียง 80-90 ปีก็หมดสภาพไปแต่ใจนี้มีอายุไม่มีวันสิ้นสุด ใจนี้อยู่ต่อไปไม่ว่าจะมีร่างกายหรือไม่จะอยู่ดีเรืองอยู่ไม่ดีก็อยู่ที่ว่าเราดูแลใจด้วยการสร้างบุญสร้างคุสมหรือไม่ถ้าเราไม่มีเวลามาสร้างบุญสร้างคุสมเรามีเวลาไปดูแลเรื่องของร่างกายเราก็จะไม่ได้ดูแลชีวิตจิตใจของเราเราก็จะ อยู่แบบทุกข์ทรมานใจอยู่แบบ<ม>หิวกระหายเพราะเราไม่ให้อาหารแก่จิตใจนั่นเองอาหารของใจก็คือบุญนี่แหละที่เรามาทำกันเวลาเราทำบุญแล้วเราจะมีความรู้สึกอิ่มเอิบใจมีความสุขใจมีความภูมิใจมีความพอใจเวลาที่เราไม่ทำบุญนี้ เราจะมีความหิวมีความอยากแล้วเราต้องเสียเงินเสียทองไปกับการเลียงดูเชื้อโรคของใจเชื้อโรคของใจที่ทําให้ใจเราไม่สบายใจก็คือกิเลสตัณหานี่เองแทนที่จะเอายาธรรมโอโสถมาทําลาเชื้อโรคคือกิเลสตัณหาเรากลับไป ส่งเสริมเชื้อโรคคือกิเลสตัณหา umm. ให้มีความเจริญเติบโตลมากขึ้นไป G ก็เหมือนกับเชื้อโรคในร่างกายถ้าร่างกายมีเชื้อโรคมากเท่าไหร่โรคร่างกายก็จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเพิ่มมากขึ้นไปเท่านั้นถ้าร่างกายมีเชื้อโรคน้อยร่างกายก็จะมีโรคภัยไข้เจ็บน้อยแต่พวกเรานี้ แทนที่จะมากําจัดเชื้อโรคของใจคือกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆเรากลับใบส่งเสริมให้กิเลสตัณหาจเจริญเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆด้วยการทําตามกิเลสตัณหาเวลาตัณหากิเลสต้องการอะไรเราก็ทําตามอย่างนี้เรียกว่าเรากําลังส่งเสริม เรากำลังดูแลรักษาให้กิเลสเจริญเติบโตขึ้นไปมากขึ้นเมื่อกิเลสตัณหาใหญ่ขึ้นไปมันก็จะสร้างความทุกข์ให้กับเราเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อก่อนนี้ใช้เงินวันละร้อยก็อยู่ได้แต่ต่อมาพอมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็ใช้มันวันละ200ใช้300ก็ไม่พอก็ใช้300ใช้400ใช้มันไปเรื่อยๆ มีเท่าไหร่ก็ไม่ไ ม, ไม่พอใช้แล้วต่อไปเวลาไม่มีเงินจะใช้ตอนนั้นก็จะเดือดร้อมจะกลับมาใช้วันละร้อยก็ไม่มีความสุขแล้วเพราะเคยใช้วัละห0ร้เคยใช้วันละพันนี่คือความหลงที่จะหลอกให้เราไปดูแลสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยกับจิตใจของเรา แทนที่จะมาดูแลสิ่งที่มีคุณประโยชน์มีคุณค่ากับตัวเราก็คือจิตใจของเรานี่เองถ้าเราอยากจะดูแลจิตใจของเราและทำลายเชื้อโรคของใจคือกิเลสตัณหาเราก็ต้องทำอย่างนี้เวลาเราอยากจะใช้เงินตามอํานาจของกิเลสตัณหาเช่นอยากจะไปซื้อเหล้ามาดื่ม เราก็เอาเงินที่จะไปซื้อเหล้านี้มาทาบุญแล้วก็มารักษาศีลงดเว้นจากการดื่มสุราอย่างนี้เป็นการทำลายกิเลสทันหาและเป็นการรักษาจิตใจไปในเวลาเดียวกันถ้าเราหยุดดื่มสุราได้ใจของเราก็จะมีความสุขมีความทุกข์น้อยลงไปมีความสุขเพิ่มมากขึ้น ลองเปรียบเทียบดูระหว่างคนที่ติดสุรากับคนที่ไม่ติดสุราใครมีความสุขมากกว่ากันใครมีความทุกข์มากกว่ากันอย่างนี้เราเห็นได้ชัดเลยว่าการติดสุรานี้มีความทุกข์มากกว่าเพราะว่าเวลาไม่ได้ดื่มก็จะดิ้นรนทุรนทุรายคนที่ไม่ติดสุราเวลาไม่ดื่มก็จะไม่เดือดร้อนแต่อย่างใด นอกจากนั้นก็ยังไปเป็นโทษกับร่างกายคนที่ดื่มสุรามากๆ ก, ก็จะทําให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยมีอายุสั้นลงไปคนที่ไม่ดื่มไม่ไม่ไมดื่มสุราก็จะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยจะมีอายุยืนยาวนานกว่าแล้วก็จะมีเงินมากกว่าคนที่ดื่มสุราเพราะคนดื่มสุรานี้ก็จะต้องเสียเงินเสียทอง ไปซื้อสุรามาดื่มคนที่ไม่ดื่มสุราก็สามารถเก็บเงินเก็บทองเอาไว้ได้หรือเอาไปทำบุญเอาไปทำบุญก็จะทำให้ใจมีความอิ่มมีความสุขเพิ่มมากขึ้นไปแต่คนที่เอาเงินมาซื้อสุราดื่มเงินก็น้อยลงไปแล้วก็ใจก็มีความหิวเพิ่มมากขึ้นมีความอยากดื่มสุราเพิ่มมากขึ้นไป ก็เลยต้องเพิ่มปริมาณการดื่มไปนี่คือปัญหาของคนที่ไม่ได้มาวัดไม่ได้มาศึกษาธรรมะไม่รู้ว่าอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษไม่รู้ว่าควรจะดำเนินชีวิตของตนอย่างไรถึงจะพาให้ไปสู่ความสุขและพาให้ไปสู่ พาให้ไปห่างไกลาจากความทุกข์ต้องมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้สอนถ้าเราไม่เข้าวัดเข้าวัดเราก็จะไม่ได้ยินคําสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะไม่รู้ว่าเราควรที่จะทําอะไรบ้างเช่นดูแลรักษาร่างกายของเรามากน้อยเพียงไรแล้วก็ดูแลรักษาจิตใจของเรามากน้อยเพียงไร และต้องกําจัดเชื้อโรคของใจคือกิเลสตัณหามากน้อยเพียงไรเราไม่รู้กันคนที่ไม่เข้าวัดไม่รู้กันจึงมักจะทําตรงกันข้ามกับความปรารถนาแทนที่จะดูแลรักษาร่างกายพอประมาณก็รักษามากดูแลมากจนเกินไปเกินความจำเป็นหรือน้อยเกินไป บางคนเสียดายเงินหัวงเงินหัวงทองก็ไม่กล้าใช้เงินใช้ทองบางคนก็รักตัวควตายอยากจะให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ปวด่วยก็ทุ่มเทเงินทองซื้ออาห้องอาหารซื้อปัจจัยสี่มาให้กับร่างกายอย่างอย่างล้นหลามมากจนเกินความต้องการของร่างกาย หรือไม่เช่นนั้นก็ทำไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาเช่นซื้อเสื้อผ้ามาเกินความจำเป็นเสื้อผ้านี้มีไว้สนใส่พอสลับผัดเปลี่ยนกันได้ก็พอแล้วแต่บางคนนี่มีเสื้อผ้าเป็นร้อยชุดเป็นหลายร้อยชุดมีรองเท้าหลายสิบคู่หลายร้อยคู่มีไปทำไม ร่างกายก็มีร่างกายอันเดียวเวลาใส่ก็ใส่ได้เพียงชุดเดียวเวลารองเท้าก็มีเท้าเพียงสองสองเท้าเท่านั้นเองทำไมต้องมีรองเท้าเป็นสบเป็นร้อยคู่พระพุทธเจ้าสอนให้พวกเรามากน้อยสันโดษกันถ้าเราอยากจะอยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่ต้องมาเหน็ดเหนื่อยกับการ ทำมาหากินหาเงินหาทองถ้าเป็นแทบตายเพื่อมาซื้อของสุรุย่ยสุรายต่างๆมาซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆแล้วก็ไม่ได้ทำให้เกิดประโยชน์อะไรกับร่างกายหรือกับจิตใจแต่กลับทำให้เป็นภาระกดดันจิตใจที่จะต้องดิ้นบนขวนขวายทำมาหากินหาเงินหาทอง แบบไม่มีเวลาพักผ่อนไม่มีเวลาที่จะมาดูแลรักษาใจที่มีความสำคัญต่อกว่าร่างกายและกว่ากับกิเลสตัณหากิเลสตัณหานี้ไม่มีความสำคัญกับเราเลยแต่เรากลับไปดูแลมันยิ่งกว่าเราดูแลจิตใจของเราเพราะความหลงนั่นเองเพราะไม่รู้ว่ากิเลสตัณหานี้ เป็นตัวที่ทำให้เราทุกข์ทรมานใจเป็นตัวที่ทำให้เราวุ่นวายใจเดือดร้อนใจกังวลใจไม่สบายออกไม่สบายใจแทนที่เราจะกำจัดมันเรากลับไปสร้างมันขึ้นมาให้มันขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นมากไปเรื่อยๆ เ, เราต้องต่อสู้เราต้องทำลายกิเลสอย่าอย่าทำอะไรตามความอยาก ให้ใช้เหตุใช้ผลเวลาอยากจะซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่ก็ให้ถามว่าจําเป็นหรือไม่เสื้อผ้าชุดเก่าไม่พอใช้หรืออย่างไรใช้ไม่ได้หรือหรืออย่างไรถ้าไม่มีชุดใหม่นี้จะตายหรือไม่ถ้าไม่ตายก็แสดงว่าไม่จําเป็นใช้ของเก่าไปให้มันหมดซะก่อนให้มันขาดจนใส่ไม่ได้เสื้อก่อนแล้วค่อยซื้อของใหม่ นี่คือวิธีที่เราจะต่อต้านต่อสู้กับกิเลสตัณหาอย่าปล่อยให้ทำอะไรไปตามอารมณ์เดินไปตามร้านขายของเห็นอะไรถูกอกถูกใจอยากจะได้ก็ซื้อมาเลยโดยไม่เคยถามตัวเองว่าซื้อมาทําไมจําเป็นหรือไม่ซื้อมาแล้วเป็นอย่างไรซื้อมาแล้วก็เามาวางไว้เฉยๆที่บ้าน มาเก็ะกะลรคลุงลังบ้านช่องไฟป่าๆแล้วก็ต้องมาวิตกกังวลกลัวจะถูกขโมยขึ้นบ้านขโมยจะไม่ค่อยขึ้นบ้านคนที่ไม่มีข้าวของเพราะไม่มีอะไรจะให้ขโมยขโมยมักจะขึ้นบ้านของคนที่มีข้าวของมากๆเพรานั้นถ้าเราไม่อยากจะให้ขโมยขึ้นบ้านก็อย่ามีอะไรมากจนเกินไปมีเท่าที่จําเป็น อย่าไปมีของที่ไม่จำเป็นให้มันเกจกะกรรบุงรําแล้วก็เป็นเป็นเป็นเหตุที่จะทำให้ขโมยขึ้นบ้านขึ้นบ้านแล้วก็อาจจะมาทำร้ายเราด้วยไม่ใช่เพียงแต่จะมาเอาเข้าของเราถ้าเขาเห็นเราขึ้นมาเขาต้องการป้องกันตัวเขาเขาก็อาจจะทำร้ายเราฆ่าเราให้เราเสียชีวิตได้การมี้ มีข้าวของมากๆจนเกินไปมีเงินมีทองมากจนเกินไปแทนที่จะมาปกป้องชีวิตของเรากลับมาทำลายชีวิตของเราเพราะจะเป็นสิ่งล่อใจให้พวกวิฉาชีพทั้งหลายมาทำลายเรามีเงินทองมากๆ ก, ก็มาต้นมาจี้เราหรือจับตัวเราไปรักคาบค่าถ่าย ถ้าเขาไม่ได้เงินทองเขาก็จะฆ่าเราแต่ถ้าเราไม่มีเงินทองไม่ร่ำไม่รวยจะไม่มีใครสนใจที่อยากจะมารักมาขโมยมาปล้นมาจี้เราดังนั้นอย่าให้มีเงินทองมากจนเกินไปให้มีพอกินพอใช้ไม่เดือดร้อนก็พอแล้วถ้ามีมากไปกว่า น, นั้นก็เอาไปช่วยเหลือคนอื่นดีกว่า เอาไปสร้างมิตรถ้าเราช่วยเหลือคนอื่นเราก็จะมีมิตรมีเพื่อนที่จะคอยดูแลคุ้มครองเราเวลาเราไม่อยู่บ้านก็จะมีคนคอยเฝ้าบ้านให้เราเช่นเพื่อนบ้านของเราถ้าเรามีอะไรมากก็ควรจะสร้างมิตรกับเพื่อนบ้านของเรามีอะไรก็เอาไปแบ่งเอาไปแจกเอาไปจ่ายกัน เวลาเราไม่อยู่เขาจะได้ช่วยดูแลบ้างหรือเวลาขาโมยขึ้นบ้านเขาก็อาจจะมาช่วยเหลือเราได้นี่คือการรู้จักการใช้เงินใช้ทองอย่าไปเสียดายเสียเสียดายเงินทองเพราะเงินทองมีไว้รับใช้เราไม่ใช่ให้เรารับใช้เงินทองบางคนนี้ มีเงินทองแล้วต้องมารับใช้เงินทองต้องคอยเฝ้ารักษาให้มันมีมากขึ้นไปหรือไม่ให้มันมีหดลงไปน้อยลงไปวันวันึังมัวแต่คอยคอยดูแลเรื่องเงินทองไม่กล้าใช้เงินทองอย่างนี้แสดงว่าไม่ฉลาดถ้าคนฉลาดต้องรู้ว่าเงินทองนี้มีเอาไว้เพื่อมาดูแลรักษา ร่างกายและจิตใจของเราร่างกายเราก็มีปัจจัยสี่ให้พอเพียงส่วนจิตใจเราก็ต้องทำบุญให้มากๆมีเงินมีทองเท่าไหร่ก็เอาไปทำบุญจะทำกับวัดก็ได้ทำกับโรงเรียนก็ได้ทำกับโรงพยาบาลก็ได้ทำกับมูลนิธิต่างๆก็ได้ที่ไหนที่ทำประโยชน์ให้แก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ขอให้ทำไปเถิดแล้วเราจะมีความสุขใจใจของเราจะพัฒนาสูงขึ้นจากมนุษย์ก็จะไปเป็นเทพต่อไปด้วยการทำบุญให้ทานนี่แหละและด้วยการไม่ทำบาปคือไม่เบียดเบียนผู้อื่นถ้าเราทำบุญได้เราก็จะรักษาศีลได้ เมื่อเราทำบุญรักษาศีลได้จิตใจของเราก็จะสูงขึ้นจะพัฒนาขึ้นไปเป็นเทพแล้วถ้าเราทำบุญรักษาศีลได้แล้วเราก็จะปฏิบัติทำได้นั่งสมาธิได้พอนั่งสมาธิได้ใจของเราก็จะพัฒนาขึ้นไปเป็นเป็นโคมแล้วถ้าเรานั่งสมาธิได้แล้วต่อไปเราก็จ ะ, จะเจริญวิปัสสนาได้ จเจริญปัญญาได้ปงองนาวิจังทุกขังอนัตตาได้เห็นว่าเกิดมาแล้วต้องตายเป็นธรรมดาเห็นว่าไม่มีอะไรเป็นของเราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นความทุกข์ไม่ใช่เป็นความสุขก็จะไม่ยึดไม่ติดกับสิ่งต่า ง, งๆจะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้ก็จะได้เป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆตั้งแต่ขั้นโสดาบันขึ้นไป จนถึงขั้นพระอาหารหันต์ทั้งหมดนี้อยู่ที่การรู้จักใช้เงินทองให้ถูกกับความจำเป็นของชีวิตเราใช้ให้เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขกับร่างกายและจิตใจของเราและเราจะได้มีเวลามาพัฒนาจิตใจของเราสูงขึ้นไปทําบุญให้ทานได้แล้วก็จะรักษาเสียนได้ รักษาศีลได้ก็จะนั่งสมาธิได้นั่งสมาธิได้ก็จ ะ, จะเจริญปัญญาได้ปรองอันิจังทุกขังอนัตตาได้ปล่อยวางได้พอปล่อยวางได้ก็บรรลุมรรคผลนิ่ผ่านหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นจากการเวียนว่างตายเกิดทั้งนี้ทั้งนั้นก็เกิดจากการมีสัมมาวายามุนีก็คือมีความภาคเพียง ที่จะเพียรอยู่ในส 4, 4. สถานด้วยกันคือ 1. เพียรสร้างบุญที่ยังไม่เกิดขึ้นให้เกิดขึ้น 2. เพียรรักษาบุญที่ได้สร้างเอาไว้ไม่ให้หายไปสเพียรละบาปที่ยังทำอยู่ให้หายไปให้หมดไปและสเพียรรักษาป้องกันไม่ให้บาปที่ได้ละแล้วควนกลับคืนมา นี่คือหน้าที่ของพวกเราที่จะนำความสุขและบำบัดหรือดับความทุกข์ทั้งหลายที่มีอยู่ในชีวิตของเราให้หมดไปได้ต้องอยู่ที่การบำเพ็ญเพียรทั้งสี่ประการนี้จึงขอฝากเรื่องของการมาวัดในวันพระนี้ให้ท่านได้นำเอาเรื่องของความภาคเพียร น, นี้ไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติ เพื่อความหยุดพ้นจากความทุกข์ทหลายที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุดติดไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีรัตนตรัยและคุนกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จึงเป็นเหตุเป็นปัจจัย <c oughs> ให้นั่นมีแต่ความสุขและความเจริญ